สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโองคงการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาปัญหาพยากรพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขนี้สาธุดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าโยมจะรับประธานไว้เป็นข้อปฏิบัติอาชานันตะสะปาปะกรณะอปุญญะปัญหาเป็นที่คํารบก้าวจบเพียงนี้